ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าเอ่ยช่นามสกุลวันเดือนปีเกิดเดินทางมาจากที่ไหนคะขอเชิญยามบารมีประสิทธิขอเชิญยามบารมีประสิทธิ์พระดวงวิญญาณพระดวงวิญญาณขอก้าเจ้าอยู่หัวขอรบเจ้าอยู่หัวลนเกล้ารัชกาลที่รัชกาลที่สามบิดาแห่งการค้าบิดาการ เจ้าสัวถุงแดงเจ้าสัวถุงแดงขอเชิญญาณบารมีขอเชิญญาณบารมีของพระองค์ลงมาประสิงมาประเสินืองนี้ณสถานที่แห่งนี้ณสถานที่แห่งนี้ณวัดราชนะแดงแห่งนี้ณวัพระเจ้าทั้งกาฬด้วยเสียงก้า พระองค์ท่า น, า น, ด, นด้วยใจอันเป็นบริสุทธิ์ข้ า, พ ร, ารพระเจ้าทั้งหลายขอยบกอยบุญกุศลที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติต <ใน S 2> ชอบในทุกบุญทุกบา ร, รมีนี้นรรนขอให้จงถึงแล้วสำเร็จแล้วแก่ภาพวิญญาณเจ้าสัวถุงแดง และท่านจงภคภูมิแต่งแบบนี้นับแต่ปนี้วันนี้ลูกหลานทุ ก, ก, ท, กท่านไทยทุกคนชาวไทยทุกค น, ททกคนมีจิตตั้งมั่นศรัทธามีจิตตั้งมั่นศรัทธาในตัวพระองค์ในตัวพระองค์ พวกเราทั้งหลายล้ำลึกถึงน้ำพระทัยคุณงามความดีสิ่งที่ท่านได้ทำเอาไว้สิ่งที่ท่านได้สร้างเอาไว้ทำให้ชนรุ่นหลังได้รู้ได้ทราบกับคุณงามความดีของท่าน เงินถุงแดงของท่านได้ใช้ประโยชน์จริงในชาติบ้านเมืองในวันนี้ข้าพระเจ้าขอกลับสการะข้าพระเจ้าขอกับสการะขอพึ่งบารมีของพระองค์ท่านลานเกล้ารัชการที่สามไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดขอให้ท่านจนย่นย่อระยะทางมาปฏิทินนาเบ่อง ามาประสิทธิ์จีนเพื่ออวยพรอวยชัยเพื่ออวยพรอชัยให้ลูกหลานที่อยู่นสถานที่แห่งนี้ให้ลูกหลานที่อยู่นั่สถานที่นี้ลูกหลานและครอบครัวทั้งหลายลูกหลานและครอบครัวทั้งหลายบริวรคทั้งหลายบริวรคทั้งหลายขอให้จงอยู่เย็นเป็นสุขขอให้จงอยู่เย็นเป็นสุขขอให้เจ้าสัวขอให้เจ้าสัวท่านเจ้าสัวท่านจ้ปรดอวยพรอวยชัยจงอวยพรอวยชัยให้ค่าพระเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงร่ำรวยจงรุ่งเรืองจงมั่งมีจงสสีุจงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอะพีิมหาเศรษฐีจงมีเงินจงมีโชคจงมีทรัพย์จงมีวาสนา เขาอีเขาว่าไม่ได้เขาว่าไม่สำเร็จจงอย่าได้บังเกิ ด, ดแก่ฆ่าประเจ้าทั้งหลาย แต่บัตรนี้ขอให้ลูกหลา น, านที่อยู่หน้าที่แห่งนี้นนกับคืนสุเขเคารสถานบ้านเกิดเมืองนอนที่บ้านเกิดเมืองนอนธุรกิจใดก็ขอจงมั่งมี ส, ส<ล>มีสุขอย่ามีสิ่งใดมาติดขัดขัดขวางทำให้บังเกิดทุกข์และโทษขอให้ลูกหลานทั้งหลายที่อยู่หน้าสถานที่แห่งนี้ ณบริเวณพื้นที่แห่งนี้ณบริเวณพื้นที่แห่งนี้จงมั่งมีสีสูง กลับบ้านไปกลับบ้านไปคืนสู่เคหาสถานบ้านเกิดเมืองนอนคืนสู่เคหาสถานบ้านเกิดเมืองนอนจงเป็นเจ้าสัวจงเป็นเจ้าสัวจงเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีจงเป็นมหาเศรษฐีจงเป็นมหาเศรษฐีได้เป็นเจ้าคนในคนได้เป็นเจ้าคนในคนมีเงินทองติดบัญชีมีเงินทองติดบัญชีเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านบาทเป็นร้อยล้านพันล้านค้นจากภัยวิกฤตทั้งหลายจากวิกฤตทั้งหลายเจ็บความจนจงอย่าได้ใคลา ความทุกข์ทั้งหลายจงวินาศสันติความทุกข์ทั้งหลายจงวินาศสันติเงินทองจนเต็มกระเป๋าเงินทองจนเต็มกระเป๋าเงินทองจนเหลือกินเหลือใช้เงินทองจนเหลือกินเหลือใช้คิดเงินขอให้ได้เงินคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองคิดทองขอให้ได้ทองคิดโชคขอให้จงมีโชคคิดโชคขอให้จงมีโชคคิดทรัพย์ขอให้จงมีแต่ทรัพย์สินเงินทองคิดทรัพย์ก็ขอให้จงมีแต่ทรัพย์สินเงินทองค้นจากภัยมารทั้งหลายค้นจากภัยมาร คนจากการเป็นลูกน้องลูกจ้าง้นจากการเป็นลูกน้องลูกจ้างได้เป็นเจ้าคนในคนเป็นเจ้าเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวทาธุรกิจได้ทำธุรกิจได้ก็ขอให้ร่ํารวยรุ่งเรืองก็ขอให้ร่ารวยรุ่งเรืองอย่ามีสิ่งใดมาติดขัดขัดขวางอย่ามีสิ่งใดมาติดขัดขัดขวางเงินทั้งหลาย เงินทั้งหลายที่มีอยู่ก็ขอให้จงเพิ่มมากขึ้นก็ขอให้จงเพิ่มมากขึ้นเฟื่องฟูเฟื่องฟูมากมายมากมายได้อย่างที่หวังได้อย่างที่หวังไม่มีบ้านก็ขอให้ได้มีบ้านอยู่ไม่มีบ้านก็ขอให้มีบ้านอยู่ไม่มีที่ดินก็ขอได้มีที่ดินอยู่ไม่มีที่ดินขอได้มีที่ดินอยู่ไม่ีรถก็ขอให้มีรถไม่มีรถก็ขอได้มีรถไม่มีเงินก็ขอให้ได้เงินไม่มีเงินขอได้เงินขอให้ได้พบแล้เจอขอให้เกิีด้วย แต่ญาติธรรมที่ดีแต่ญาติธรรมดีกรรยานมิที่ดีกรรยานมิที่ดีมีสิลที่เป็นอยู่มีสินที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะกี่ร้อยกี่พันล้านไม่ว่าจะกี่ร้อยกี่พันล้านก็ขอให้หมดหนี้หมดศินก็ขอให้หมดหนี้หมดสินจงเป็นไทยจงเป็นไทยขอให้มีอิสรภาพขอให้มีอิสรภาพในการเป็นไทยในการเป็นไทยขอให้หาเงินได้มากๆขอให้หาเงินได้มากๆขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลมีธรรมจงเป็นผู้มีศีลมีธรรมขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ณสถานที่แห่งนี้ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ได้ดวงตาเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานชาตินี้ด้วยเถินชาตินี้ด้วยเถินขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้เข้าเฝ้าพระศรีอารได้เข้าเฝ้าพระศรีอาน์พระศรีอริยเมกไาพระศรี พระพุทธเจ้า อ, องค์สุดท้ายพระพุทธเจ้า อ, องค์สุดท้ายนับแต่บัดนี้เธินนับแต่บัดนีเ้เธอนาสาธุสาธุ<ม>สาธุมมสาธุสารุสาธุสาธุสามลลุสาธุสีสุกานุสาธร้าธล้านล้าน ธุรกิจก็จงมั่งมีสีสุขวันนี้ทุกท่านนะคะตากแดบดบตากลมกันก็ขอให้ได้บารมีกับคืนสู่บ้านขอให้กอบเกยเงินร้อยล้านพันล้านกลับบ้านขอให้กอบโชคกลับบ้านกลับไปแล้วขอให้หมดหนี้หมดสินกับทุกท่านนะค ะ, าะสาธุสาธุ